ที่บันเทิที่มากจังค่ะมากจังค่ะทางวัดนะครัธรรมศุภิยุทธ์ใช่ค่ะพิณก่อนนะวางขึ้มาโยไม่ใช่เวลาลูกออกไปแล้วไปทางตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมถ้าทางทางใล้มันออกไปให้เรตรงไปล้วไม่ต้องเลี้ยวเข้าทางวัดตรงไปแล้วออกทางด้านหลังวัดเป็นถนนที่จะไปกิโลสิบสนามบินอุะภัย ไปถึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกแค่เลี้ยวขาอลยในทางประตูคือถ้าออกประตูก็ตรงไปเลยแล้วถนนนี้มันจะโค้งไปออไปชนถนนเข้าเล้ยว้ายสามสามหนึ่งพอถึงสามสามหนึ่งก็เราเลี้ยวขวาไปก็จะไปสู่ถนนสุขนาวินหนุนตะเพาลีลนสิกก็จะไปชนถนนสุขุมวิทแล้วก็วิ่งไปไปถึงระยองได้เลยหรือถ้าเราจะถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายไปเราก็จะไปชนกับถนน้ายใหม่ ที่จะไปทางบ้านค่ายหรืออะไรทั้งนั้นแล้วก็ไประยองเหมือนกันไปได้ทั้งสองทางแล้วมันจะจะสะดวกกว่าไปทางด้านหน้าวัดที่มาทางด้านหน้าวัด่แล้วทางสุ ต, ต<อ>วันวัดลก็เส้นนั้นใช่ไหมแล้วถ้านั้นก็เมื่อกี้มาถึงก็เลี้ยวขวาเขา้าวัดนะเราก็ต่อไปตรงไปตรงการเส้นนั้นไปมันก็จะไปชนกับถนนสุติทย์เราจะเจอสุตวิทยแล้วก็เวีย้าย ก็จะมีป้ายบอกไปบ้านฉางไประยองอะไปเช่นนั้นเช่นนั้นจะใกล้ที่สุดที่มีไป <c oughs> เป็นงไงเออมีคนเอาธรรมะที่อาจารย์ไปปฏิบนะัติน่ะเป็นลูกเป็นไงได้ผลไหม ประดีลูกมาด้วยวันนี้เลย <c oughs> คือเราปฏิบัติเพื่อทางใจเราไม่ได้เพื่อลูกไม่ได้เกี่ยวกับลูกเรืลูกเรานั้นเขาเป็นไปตามยึดตามครามของเขาเราก็เพียงแต่ช่วยเขาได้กระทับประคองให้เขาไปในทิศทางใดทิศทางแต่ถ้าเขาอยากไปอีกทางหนึ่งเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ อย่างพระพุทธเจ้าในตอนเกิดมาตอนเป็นเด็กก็ยอชายสุดโันนะพระราศิดาก็พยายามประคับประกองให้ลูกไปในทางของกษัตริย์อยากให้ลูกได้เป็นกษัตริย์อยากให้เป็นมหาสัาพพะพันธ์ที่โผลได้ทํานั้นนะแต่พยายามสร้างกษัตริย์ตามเร่อยให้อยู่ให้มีความสุขดีกับชีวิตของกษัตริย์ให้ทาได้เท่านั้น แต่เมื่อถึงเวลาที่ลูกเขาจะตัดสินใจเลิกทำเดิมของเขาให้ไปตัดห้ามาแทนว่อย่างโย ม, ม, มพ อ, อตะนาก็ห้าไม่ให้ก็นามาเบื่อยม่ได้ก็เถึนเวลามันจะไปมันไปทานั้นเองเพราะมันเป็นเรื่องของบุญกรรมที่ได้ทำมาในอดีตมันมีพลังมากกว่าคนอย่างต่างที่ใครจะมามาจุด ข, ของ ไ, ได้ถ้าถ้าบุญกรรมมันแรงมันจะไปทางนันเองถ้ามันไม่แรงมันก็อาจาจะใส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 เพื่อนคนแรกก็คือพ่อแม่ของลูกอะ่ะพ่อแม่ก็เพียแล้วถ้าพ่อแม่ดีก็ดึงลูกไปในทางที่ดีได้แต่ถ้าพ่อแม่ไม่ดีก็ดึงลูกไปในทางที่ไม่ดีได้แพ่อแม่มีหลายหลายชนิดเนี่ยพ่อแม่ที่ชอบเศรษฐลายามมาเรื่องการพนันก็มีพ่อแม่ที่ชอบเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็มีถ้าลูกเป็นคนแบบที่ขึ้นชุดต่างๆก็จะอาศัยพ่อแม่เป็นผู้ที่ดึงไปได้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 ยังเราในฐานะพ่อแม่ก็เป็นเหมือนกรรารเลี้ยงลูกนิดเทนั่นเองเดีย๋ยวเราก็เป็นเพื่อนที่ดีของลูกเป็นอาจารย์ของลูกเป็นครูของลูกเราจะสอนไปเหมือนกับคนทายเรือข้างกลากส่งคนข้างสะเท่านั้นเองเมื่อเขาลงจากเรือแล้วเขาจะไปทางไหนเราก็ไปไปบังคับเขาไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็ได้ให้เงื่อนงึงที่ดีกับเขาไว้วถ้าวันหนึ่งเกิดเขาเขาได้สติ เขาอาจจะเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากทางพ่อจากแม่ก็อาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ <c oughs> แต่เรื่องหลังนี้เราอย่าไปอะไรกันมากเลยเรื่องของคุนอื่นเรื่องที่เราควรจะให้ความสนใจมากกว่าก็คือเรื่องตัวเราบางทีเราไปทุกกับคนอื่นก็ไม่เราไม่มีความสุขเลยเใ น, นที่เราไม่ไม่ไม่จําเป็นจะต้องไปทุกกับเขาแต่ก็ว่าเราไม่ฉลาดเรายัางมีความหลงหู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 การแต่ก mm. anyway, ้อนจนจบมันก <pun correlation. S 2> <the> ็เป็นเหมือนกับเหมือนกับเข้าโรงหนังเราไปดูหนังหนังมันก็เป็นเรื่องเป็นราวเลยรของมันพอหนังจบแล้วออกจากโรงแล้วเรื่องนั้นมันก็ผ่านไปมันก็มันก็แล้วก็ลืมมันแล้วเราก็ไปดูเรื่องใหม่ต่อชีวิตของเราก็แบบเนี้การเยือนว่ายตายเกิดมันก็เหมือนกับการออกจากโรงหนังโรงหนึ่งแล้วก็ไปเข้าอีกโรงหนึ่งเราเป็นทั้งคนดูเป็นทั้งคนแสดงภายในตัวเนี่ย ถ้าเราฉลาดหรือเราโชคดีแล้วได้เจอคนฉลาดถ้าเราสองอย่านี้เราไม่จำเป็นจะต้องมาเล่นเราไม่จำเป็นจะต้องมาเศ้าโศเสียใจกับกับชีวิตเพราะว่าชีวิตนี้มันมันไม่ใช่ความสุขมันมีแต่ความทุกข์ <c oughs> มีสิ่งที่ดีดีกว่านี้ที่เราสามารถที่จะให้กับครอเราได้ถึงนั้นก็คือใจของเรานี่แหละ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 ในเรื่องของจิตใจล้วเราพวกเราเหมือนกับคนตาบอดเราไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหาใจทั้งไงทั้งที่เราก็อยู่กับมันอยู่มาตลอดเวลาแต่เราไม่รู้จักวิธีแก้เรายังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรความคิดเราจะไปแก้มันได้อย่างไรเหมือนโลกปัจจุบันนี้เวลามีมีโรคระบาดขึ้นมาเช่นหวัดนก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 เนโรกทางด้านจิตใจในเบื้องต้นเราก็ต้องศึกษาหาเหตุละก่อนว่าเหตุคืออะไรที่ทำให้ใจของเราต้องทุกข์่าถ้าเป็นเราเป็นคนธรรมดาอย่างพวกเราที่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์มาสั่งสอนเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเหตุนั้นเป็นอะไรทั้งๆ ท, ที่เราเป็นคนสร้างเหตุนั้นอยู่ตลดอดเวลาได้ซ้ำไป ทั่นเป็นเพราะว่าจิตของเรานี่นมีความหลงครอบงมอยู่ทำให้เรามองเห็นกับตราปัดไปเราไปกลับไปคิดว่าไอ้ไอ้เหตุที่เรากำลังสร้างอยู่นี่แหละเป็นตัวเหตุที่สร้างความทุกข์ให้กับเราเราจึงสร้างแต่เหตุตันนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องมารับทุกข์ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเราได้ มีโอกาสได้สัมผัสกับพระพุทธศาสนาได้ยินคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ยินถึงอริยสัจสี่ที่เป็นหัวใจของของคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยถ้าใครถามว่าพระพุทธเจ้าตัดสั่งรู้อะไรก็หมอกวตัดสั่รู้ถ้าอริยสัจสีนี่แหละเพราะว่าการการตัดสั่งรู้อริยสัจสี่นี้ทําให้คนธรรมดาสามัญประชาชนอย่างพระพุทธเจ้านี้ ได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาหรือพุทรชลสามันที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมธรรสอนได้ยินเรื่องอริยสัจสีแล้วนําไปปฏิบัติ <c oughs> ก็จะสามารถบรรลุปเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาสามารถทําให้จิตใจของตนนั้นอยู่เหนือความทุกข์ไปได้เพราะในพระอริยสัจสีนั้นท่านจะแสดงถึงต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์ ก็เปลี่ยนเหมือนกับเชื้อโรคที่ทําให้เกิดโรคนั่นเองเมื่อเรารู้แล้วว่าเชื้อโรคนี้เป็นอะไรต้นเหตุของความเจ็บนี้เป็นอะไรขั้นต่อไปเราก็ศึกษาดูว่าแล้วจะทำอย่างไรถึงทําให้เชื้อโรคนี้หมดไปหมดไปได้ก็เราก็จะเข้าไปสู่อริยสัจข้อที่สี่ที่พระพุทธองค์งสอนว่ามรรคมรรคเป็นเครื่อง ที่จะถอดถอนต้นเหตุของความทุกข์คือตัณหาสมุไทยสมุไทยก็คือตัณหาทั้งสารการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแล้วก็เครื่องที่จะทาลายก็คือมรรคมรรคแปดก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัตโตสัมมากรรมันโตสัมมาวาจาสัมมาวาาโมสัมมาอาชิวสัมมาสติสัมมาสมาธิ นี่คือองค์ประกอบของมรดมีอยู่แปดประการด้วยกันถ้าเราจเจริญมรดทั้งแต่ให้ให้จเจริญขึ้นมาได้มากน้อยเกินเราก็สามารถที่จะเข้าไปทําลายต้นเหตุของความทุกข์ได้มากน้อยเช่นนั้นมรดมนี้จึงเปรียบเหมือนกับเป็นยายาที่หมอค้นคว้าหามาที่ถูกกับโรคเมื่อเอายานี้เข้าไป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 นิโรธก็คือความดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมานี่คือเรื่องของพระอริยสัจสี่ที่มันทางานอยู่ในจิตใจของสัตว์โลกทุกคนสัตว์โลกส่วนใหญ่จะถูกอริยสัจข้อที่สองคือสมุทัยสัจจะทำงานอยู่ตลอดเวลาในใจของสัตว์โลกจึงมีปัญหาทั้งสามประเภทนี้อยู่เสมอ มีการมาตัณหาความอยากในกา ร, ร อ, อยากในรูปเสียงกลกิ่นรสโผฏฐัพพะอยากอยู่เสมออยากแบบไม่รู้จักอินไม่รู้จักพอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอได้มาแล้วก็อยากจะสัมผัสใหม่อยู่เรื่อยๆเมื่อไม่ได้สัมผัสก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ทุกข์นั้นเกิดขึ้นในขณะที่เกิดความอยากแล้วแล้วไม่ได้สัมผัสตามความอยาก แต่ในขณะที่อยากแล้วได้สัมผัสมันก็ไม่ถูกมันเลยทำให้ฉันรล ก, กลับไปเห็นว่าความอยากนี้เป็นเหตุของความทุกข์เพราะเวลาอยู่บ้านรู้สึกว่ามันเศร้าซ้อยง่วงเหงาถ้าอยากออกไปเที่ยวแล้วได้ไปเที่ยวแล้วมันมีความสุขแต่ไม่เคยคิดว่าถ้าเกิดอยากไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยวแล้วจะเป็นอย่างไรมันก็มันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานี้มันเป็นเรื่องที่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 ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็สามารถระงับดับความอยากคือความอยากในการได้ความอยากที่จะมีคู่ครองเมื่อไม่มีคู่ครองก็ไม่มีการพักกรากจากคู่ครองใไปเวลาเราอยู่เราก็ไม่เดือดนอนเพราะเราไม่ต้องมาห่วงมากังวลกับคู่ครองของเราถ้าเรามีคู่ครองแล้วเรามีความสุขก็เพียงแต่เชื่อขนะที่เราได้เขามา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 ก็จะต้องเกิดความเจ้าโศกเสียใจนี่มันก็เกิดจากความอยากนั่นเองความอยากในการอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสที่เราชอบที่ถูกตกถูกใจเรานี้ถ้าเราได้มาศึกษาและทาคะนะําสอนท่านก็นจะสอนให้เราเห็นว่าความอยากแบบนี้มันเป็นความอยากที่จะนําความทุกข์มาให้กับเราเราควรที่จะ <c oughs>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 ความอยากมันจะไม่มีโอกาสแสดงอาการออกมาเมื่อ ม, ม, ม, ม, มันไม่มีโอกาสที่แสดงออกมามันก็ไม่มารบกวนเราเราก็สามารถอยู่เฉยๆอยู่ตามลำพังของเราได้ไม่ต้องมีคู่ครองเราก็ไม่รู้สึกว่าเวเราก็ไม่รู้สึกว่าขาดอะไรไปแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีสติแล้วสังขารความคิดคลุ่มนั้นก็จะทำงาน มันก็จะคิดไปตามอำ น, นาจของตัณหาที่มีอยู่ที่มีฝังอยู่ในจิตในใจของเรามันก็จะคิดว่ารู้สึกอยู่คนเดียวแล้วมันเศร้าซ้อยน้อยเหงาอยากจะมีเพื่อนอยากจะมีคู่ครองเมื่อมันมีความคิดอย่างนั้นแล้วมันก็ต้องออกไปแสวงหาคู่ครองแล้วในที่สุดมันก็หาคู่ครองมาได้แล้วก็ต้องเข้าพิสูจนความทุกข์ต่อไป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 แล้อีกจำพวกหนึ่งก็ อ, อยู่ด้วยกันแล้วก็ทะเลาะกันตลอดเวลาไม่ลงรอยกันมีเรื่องมีราวกันตลอดเวลา อ, อย่างนั้นก็ทุกข์อย่บงนัน้นก็เป็นความทุกข์เหมือนกันถ้าเปรียบเทียบกับอยู่คนเดียวมันก็ไม่มีเลยความทุกข์แบบนี้เพราะไม่มีใครจะต้องมาทะเลาะทะเลาะกันไม่มีใครจะต้องมาห่วงมากังวลไม่มีใครจะต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกสีอใจด้วยการที่เราอยู่กันไม่ได้ก็เพราะว่าจิตของเราขาด สมาสมาธินั้งเองโดยเราไม่สามารถทําจิตของเราให้สงบให้นิ่งให้เย็นได้เมื่อจิตมันไม่นิ่งไม่เย็นมันก็เกิดความรุ่มร้อนจิตใจเกิดความอยากต่างๆแน่ๆขึ้นมาดัง <c oughs> นั้นเราจึงต้องพยายามที่จะสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นได้สมาธิก็ต้องอาศัยสติสตินี่เป็นตัวที่จะทําให้เกิดสมาธิขึ้นมาสตินี่เป็นตัวที่จะดึงจิต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 เมื่อวานนี้ไปทำอะไรมาเมื่อเช้านี้ได้ยินเสียงคนนั้นพูดอะไรทำให้ไม่พออกไม่พอใจ ก, ก, ก, ก็เก็บความมาคิดเก็บเอามาโกรธอยู่ในจิตในใจเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะว่าไม่ขาดสติไม่มีสติคอยดูแลรักษาจิตใจถ้ามีสติแล้วจะต้องรู้ทันทีว่าขณะนี้เราอยู่ที่ไหนจิตของเราอยู่ในปัจจุบันหรือไม่หรือจิตของเราได้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 จิตมันจะไม่ลอยไปลอยมาจิต ท, ที่ลอยไปลอยมานี่มันเป็นเหมือนนุ่นถ้ามีอารมณ์มีลมมาพัดนิดเดียวมันก็จะปิวไปละจิต ท, ที่ไม่มีสมาธิก็เป็นจิตที่เบาแต่เบานี่ไม่เลยเบาเบาเพราะประาศจากทิเลสปัญหาเบาเพราะว่าขาดขาดความหนักแน่นเวลามีอารมณ์อะไรมากระทบหน่อยมาสัมผัสนิดก็ไปแล้วมีความคิดถึงเรื่องอะไรนิดหน่อยมันก็จะไหลไปตามเรื่องนั้นทันที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 เราก็คิดในเรื่องที่จำเป็นที่จะตคิดอย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าเราถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิแล้ว่ให้จิตมันไปตามอารมณ์อะไรมนกระทบมันก็ไปได้อารมณ์แล้วมันก็ทํทำให้อารมณ์ว่าวุ่นขุน่นนัวอยู่ตลอดเวลาเพราะไปไปแบกเอาเรื่องราวต่างๆเข้ามาในจิตในใจนั้นเอง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 ให้มีสติอยู่ตลอดเวลาเวลามันจะคิดถึงเรื่องที่สร้างความทุกข์ขึ้นมาเราเคยคิดแต่คําว่าพุโทโธเราก็คิดแต่คําว่าพุโทโธพุโทโธไปภายในใจไอความคิดอย่างอื่นมันก็ไม่สามารถแทรกเข้ามาได้เพราะมันไม่สามารถแทรกเข้ามาได้มันก็จะไม่มาสร้างความความรบกวนใจให้กับเราดังนั้นการปฏิบัติทางสายปฏิบัติจะเน้นไปอยู่ที่สติเป็นหลักไม่ว่าจะทําอะไรก็ตาม คันจะมีสติคือมีความมีสติตัวรู้อยู่เสมอว่าทุกขณะกําลังทําอะไรอยู่กายว่าใ จ, าจกําลังเคลื่อนไหวไปในไปในทิศทางใดงถ้ามีสติแล้วจะทําอะไรก็ไม่พลาดพระปฏิบัตินั้นเวลาท่านทํางานทําการท่านทําเล็วแต่ท่านจะไม่เคยพลาดเท่าไหร่เช่นจะไม่มีเสียงดังทําอะไรนี่จะเงียบ แต่ถ้าเป็นคารวาสแล้วทำมาลายมันจะเป็นเสียงอึกรทึกพึบโคมไปหนดเพราะทําโดายปราศจากสตินั่นเองมีสติเหมืนกันแต่ไม่ไม่มีสติแบบว่าเข้มข้นพอที่จะเฝ้าดูทุกขณะจิตเลยว่ากําลังขึ้นไหวไปไหนเช่นเวลาเช็ดช้อนช็ดจานก็รู้ว่าเช็ดช้อนเช็ดจานแต่ไม่ได้รู้ว่าขณะที่เช็ดขณะที่วางจานวางช้อนไปนั้นวางหนักวางเบาอย่างไร ท่า น, นเพราะว่าไม่มีสติละเอียดถึงขนาดนั้นแต่ถ้าผู้ที่ปฏิบัติแล้วท่านจะมีสติละเอียดเข้าไปถึงขณะทุกขณะเลยขณะหีิบช้อนขึ้นมาเช่ขนขณะที่ระวางช้อนลงไปจะมีเสียงไม่มีเสียงนี่ท่านจะมีสติรู้อยู่ตลอดเวลาการทําทงานของท่านปฏิบัติเองจะรู้สึกว่าทําได้รวดเร็วและเงียบสงบไม่มีเสียงเวลาคนที่ไม่มีสติเข้ามาในสังคมนั้นปันบนี่จะ เปิดเยตัวเองทันทีเลยทําลายก็ดังโคมคามโคมคามไปหมดเปิดประตูปิดประตูหน้าตรงหน้าต่างก็เป็นเสียงดังเไปหมดเพราะไม่เคยฝึกสติให้มีความละเอียดถึงขนาดนั้นนั่นเองแต่ถ้าได้ไปอยู่ในตำแหนักที่ปฏิบัติแนละ้วเขาจะระมัดระวังมากเรื่องเสียงเพรา็ถือว่าการกระทํำนั้นต้องทําแบบเงียบต้องทําด้วยความสงบเพราะถ้าทําได้เงียบด้วยความสงบนี้แสดงว่าเป็นการฝึกสมาธิ ฝึกสติไปในตัวฝึกจิตไปในตัวการการปฏิบัตินี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องการความเงียบเป็นผลแต่ต้องการตัวสติต้องการตัวสติตัวสมาธิตลักที่ฝึกการทางานอะไรกันทุกอย่างนี้ก็เพื่อที่จะฝึกจิตทนั้นเองเพราะเมื่อเราสามารถควบคุมจิตใจให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้แล้วเราก็สามารถระ ง, งับแบบ การทํางานของจิตในทางที่ไม่ดีได้เช่นเวลาเกิดตัณหาขึ้นมาเราก็สามารถระงับดับมันได้ทีนี้การดับด้วยตัณหา this มันก็ต้องดับด้วยสองวิธีด้วยกันวิธีสมาธินี้ก็อาจจะดับได้เพียงชั่วระยะสั้นๆคือพอเบรคกันได้พอรู้ว่าเอออยากอยากในสิ่ง น, นั้นอยากในสิ่ง น, นี้กอรู้ว่าเวลามันเกิดความอยากขึ้นมามันเกิดความร้อนขึ้นมา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 มีความอยากในเรื่องของของคู่คร อ, ง, องนี้ถ้าบวชมาเป็นพระสิ่งแรกที่พระอุปเชาว์สอนให้พระศึกษาหรือเจริญก็คือกรรมฐานกรรมฐานห้าพระทุกรูปที่บวช น, นี้จะต้องเรียนเรียนกรรมฐานห้าก่อนคืออาการห้าส่วนของร่างกายมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีอย่างนีง้นี่เป็นสิ่งที่อุปเชยะ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 ที่ไม่สวยงามที่ต้อนอยู่ภายใต้ผิวหนังเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ปัญญา พ, พ, พ, พิ จ, จรารณาเท่านั้นเองถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปความรู้นี้มันก็อยู่จะอยู่ติดกับใจของเราพอเวลาเกิดความอยากขึ้นมาปั๊บไอความรู้ที่เราได้พิ จ, จรารณาวันนี้ก็จะขึ้นมาทันทีขึ้นมาบอกว่ามันไม่สวยอย่างที่เราคิดหรอก เมื่อมันเป็นเช่นนั้นความอยากมันก็จะดับไปทุกครั้งที่มันคิดไอนี้ก็จะขึ้นมาขึ้นมาจนกระทั่งในที่สุดไอ้ความคิดอยากนั้นมันก็จะไม่มีกําลังที่จะโผล่ขึ้นมาอีกอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นปัญญาหรือเป็นวิปัสสนาที่เรียกว่าที่เราต้องชิ้แจงมาอาศุภะกรรมฐานกันก็นเพื่อที่จะเป็นปัญญาแก่กามาตัญหาหรือราคาตัญหาความยินดีใน ในในรูปที่สวยที่งามนี้เองที่เราว่าสวยว่างามนี้เราเป็นคนไปว่าเขาเองร่างกายนั้นเขาไม่ได้ว่าเขาสวยเขางามแต่เราไปหลงเขาเองแล้วเราไปว่าเขาสวยเขางามพระพุเจ้าถึงต้องสอนให้ให้ให้มองในส่วนที่มันไม่สวยไม่งามบ้างเพื่อเพื่อจะได้เป็นเครื่องทาให้มันเห็นเห็นแบบตามความเป็นจริงเรามาัควะมองด้านเดียวเท่านั้นก็คือ ด้านที่เราชอบแต่ด้านที่เราไม่ชอบนั้นเราพยายามที่จะไม่มองทั้งทั้งที่มันก็มีอยู่ในในนั้นอยู่ในบุคคลคนเดียวกันทีนี้ปัญหาของพวกเราคือว่าเวลาเราจะพิจารณาความไม่สวยไม่งามนี้โดยมากแล้วเราจะพิจารณาได้ไม่นานเพราะกิเลสนี้มันเป็นตัวที่แฉชอบคอยมาขัดมาขวางอยู่เสมอเราจึงต้องฝืนเราจึงต้อ ง, งบังคับ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 ไม่เคยคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะจะแหลงไปผมเขาจะกลายเป็นสีขาวหนังเขาจะเหี่ยวหรือในที่สุดเขาก็จะต้องจะต้องตายไปร่างกายก็ต้องต้องแตกสลายไปจริงเ่านี้จิตที่มีกิเลส ข, ข้องงำอยู่มักจะไม่ชอบคิดกันเท่าไหร่แต่ถ้าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาคือความทุกข์ของใจเราก็ต้องทับใจเลย ต้องพยายามพิจรารณาเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆทีนี้การที่เราจเจริญปัญญาได้อย่างต่อเนื่องหรือได้ผลก็ต้องอาศัยจิตที่มีความตั้งมั่นถ้าจิตยังลอยไปลอยมาอยู่เราอาจจะพิจรารณาอสุภะได้เพียงไม่ไม่ถึงนาทีหนึ่งเดี๋ยวพอมีอารมณ์อย่างอื่นมากระทบกับจิมันก็จะลากไปละให้ไปคิดเรื่องนี้เรื่องนี้ต่อไป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 ส่วใหญ่มันเข้าไปแล้วมันจะไม่ได้ผลนั่นเองมันจะกลายเป็นความพึ่งพานไปมากกว่ากลายเป็นจิตนาการไปมันไม่ได้เป็นความจริงเวลาเกิดอ่ะเกิดกิเลสขึ้นมามันไม่มีปัญญาที่จะมาลังค์มันได้แต่ถ้าเรามีสมาธิอยู่แล้วเวลาเราพิจารณาอะไรี้จิตมันก็จะเกาะติตอยู่กับสิ่งที่เราพิจารณาพิจารณาจนทั่งมันเข้าใจว่ามันเข้าใจมันอยู่กับใจแล้ว ทีนี้มันไม่ต้องพิจารณาก็ได้พอมันมีอะไรขึ้นมาไอตัวนี้มันก็จะขึ้นมาทันทีโดยอัตโนมัติเลยมันเป็นธรรมชาติของมันเมื่อมเป็นธรรมชาติแล้วเราก็รู้เองว่าอ๋อปัญหาเรื่องเรื่องของสิ่งเหล่านี้มันไม่มีปัญหาสำหรับเราอีกแล้วต่อไปเพราะเราไม่หลงมันแล้วเรารู้ทันแบบนี่เองเรามีปัญญากิเลสบอกว่ามันสวยแต่ปัญญาบอกว่าไม่สวยมันก็ทำลายกันไป มันก็หมดกันไปตอนในที่สุดกิเลสมันก็ไม่สามารถมาหลอกใจเราได้ต่อไปเพราะเรามีปัญญาเรารู้ทันหมนแล้ว น, นี่คือเรื่องของการปฏิบัติที่เรียกว่ามรตเราต้องพยายามเจริญให้มากพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่ามรกต้องเจริญให้มากทุกคืออริยสัจ ต, ต้องกำหนดรู้สมุทัยต้องละนิโรธต้องทาให้แจ้ง วิธีที่จะทำให้นิโรธแจ้งวิธีที่จะละตำหาหรือสมิไทยวิธีที่จะกำหนดยทุทธุพก็คือการเจริญมรรคนั่นเองการเจริญมรรคนี้จะทำให้เราจเจริญเห็นความแก่ความเจ็บความตายซึ่งเป็นอริยสัจข้อที่หนึ่นเอ ง, เอง พวกเราส่นใหญ่มักจะมองท่าว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันเมื่อเราลืมปั๊บล้วก็เกิดปัญหาเกิดความอยากจะสร้างนู่นสร้างนี่ทำนู่นทนํานี่เป็นนู่นเป็นนี่นไปเมื่อไปมีความอยากแล้วก็ต้องไปทุกกับเรื่องราวต่างๆแต่ถ้าเราเจริญมรรคคือสมาทิฏฐิว่าเราคนเราเกิดมาแล้วต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดา ต้องพัดพาของรักทั้งหลายไปเป็นธรรมดาต้องประสบมับสิ่งทั้งหลายที่ไม่ปราถนาเป็นธรรมดาเมื่อเราพิจารณาอยู่างนี้เรื่อยๆเราก็จะได้ไม่ถูกอำนาจของปัญหามาหลอกให้เราไปสร้างนี่นสร้างนี้สร้างครอบครัวสร้างสวรรค์นี่มาในโลกนี้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะในที่สุดแล้วเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหือนนั่นเองเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะ ถอยออกมาจากการที่จะไปสร้างไปหาความสุขกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เราก็เกิดปัญญาขึ้นมาเมื่อเกิดปัญญาขึ้นมามันก็ระงับไป้ปัญหาต่างๆที่หลอกให้เราไปสร้า ง, น, างนู่นส้านี่เป็นนู่นเป็นนี่เมื่อมไม่มีปัญหาเราอยู่เฉยๆล้วก็มีความสุขแล้วนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงคือการอยู่เป็นสุขนั่นเองการที่เราสามารถอยู่เฉยๆ มีร่างกายกับายนี้ก็พอแล้วไม่ต้องมีสมบัติอื่นภายนอกก็ ม, มีความสุขได้มากมาย ก, กว่าสุขมากยิ่งกว่าคนที่มีเงินทองกองเท่ากูการสิเพราะนี่มันเป็นความสุขที่ไม่ได้เกิดจากตัางหาตัญหานี่มันเป็นความทุกข์มันต้นเหตุของความทุกข์ถ้ามีตัาหาแล้วต่อให้มีได้มีเงินทองกองเท่ากูเขามันก็จะเกิดตัางหาอยู่ตลอดเวลาเพราะมันจะมีความไม่พอนั่นเอง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 เพมันไม่มีมันไม่มีอะไรที่มาทําให้จิตนั้นมันอิ่มเรื่อมันพอได้นอกจากตัวจิตเองจะต้องทําเขาจะต้องพลิกจิตให้กลับเข้ามาสู่ด้านอิ่มให้ได้ส่วนใหญ่มันถูกกิเลสปัญหาหลอกให้ไปในทางด้านผิวนั่นเองเมื่อมันไปทางด้านผิวแล้วได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จากพอแต่ถ้าเราเอาธรรมะมาทําให้จิตมันอิ่มด้วยการต่อสู้ดับความผิวคือปัญหา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 แล้วมันก็จะเป็นเครื่องมือที่จะต่อสู้กับความอยาก น, านะเวลามีความอยากเกิดขึ้นมามันก็จะมันก็จะถามตัวเองว่าอยากไปถึงไหนเดี๋ยวก็ตายแล้วจะเอาเงินไปเท่าไหร่ก็ออกไปไม่ได้เดี๋ยวชีวิตตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวก็กี่ปีอยากไปหาอะไรความสุขในโลกนี้เราก็ผ่านมาตั้งกี่ปีแล้วถ้ามันเป็นความสุขที่แท้จริงมันก็น่าจะให้ความอิ่มความพอกับเราแล้ว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 วิธีที่จะทําให้จิตใจของเราอยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายได้ก็คือการเจริญมรรคนี้เองเนี่ยจึงเป็นเหตุที่พวกเราเชาวทุกขต้องไปที่นู่นที่นี่ไปวัด น, นู่นวันนี้เพื่อไปทําบุญทำทานไปปฏิบัติรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมกันก็เพื่อที่จะสร้างมรรคที่เป็นเหมือนกับยามารักษาโลคใจมาทําลายเชื้อโรคคือความอยากที่มีทางจิตใจั้งหลาย เมื่อเราได้เจริญนักมาเรื่อยๆแล้ ว, ลวยาก็จะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะเข้าไปทำลายเชื้อโรคคือตาณหาความอยากต่างๆที่มีในจิตในใจของเราให้เบาบางลงไปจนกระทั่งในที่สุดมันก็หมดไปอย่างที่เราได้ยินได้ฟังเสมอผู้บรรลุธรรมนั้นท่านบรรลุเป็นขัข้นๆไปขั้นโสดาสติดาขามีอนาคามีแต่กระทั่งถึงขั้นพระอะหาัน ท่านก็ทานก็อาศัายการเจริญมรรคนี้เป็นขั้นๆไปขั้นแรกก็บรรุนเป็นพระโสดาขั้นต่อไปเมื่อมรรคนี้มีกําลังมากขึ้นก็บรรุนขั้นสตรีดาทานีแล้วก็ขั้นอนาถามีแต่ในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปในที่สุดก็เกิดจากการบําเพ็ญอย่างต่อเนื่องคือการเจริญมรรคอย่างต่อเนื่องตางที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่ามรรคนี้ต้องเจริญให้มาก ดังนั้นหน้าที่ของชาวพุทธเราจึงต้องเอาหน้าที่ในอริยสัจสีนี้มาเป็นหลักคือพระพุทธเจ้าทรงตรัสได้ว่าทุกนี้ต้องกําเนิดรู้คือต้องศึกษาอยู่เรื่อยๆสอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเสพต้องตายนี่คือการศึกษาเป็นการสอนใจต้องศึกษาอริยสัจขทอแรกทุกต้องศึกษาต้องกําหนดรู้แล้วก็สมุดไทยต้องละ สมุทัยคืออลไรก็คือตัณหาทั้งสามมีการมาตัณหาภาวะตัณหาที่ภาวะตัณหาก็ต้องละแล้วก็นิโรธก็ต้องทําให้แจ้งคือทํานิโรธก็คือการดับทุกข์ต้องทําให้มันปรากฏขึ้นมาการที่จะทําให้ให้้มีโรธปรากฏขึ้นมาการที่จะละตัณหาก็ต้องเจริญมรรคเองกลลารเจริญมรรคก็คือการกําหนดรู้ทุกข์เพราะเราต้องพิจารณาความเกิดความแก่ความเสจ็บความตาย เราต้องพิจารณาเราต้องพิจารณาเอาสุภาษทางนีงนี่เป็นเรื่องของปัญญาโดยอาศัยการสนับสนุนของสมาธิและสีเราเราจรึงต้องรักษาสีเมื่อเรารักษาศีแล้วเวลาเราบาเพ็ญสมาธิจิตก็จะสงบง่ายเมื่อจิตมีสมาธิแล้วเวลาพิจารณาทางด้านปัญญามันก็จะเห็นมันก็จะมีกำลังที่จะไปรังับดับปันหาได้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 พระพุทธเจ้าบรรลุสัทะลุอริยรสัจสี่ในวันเพ็ญเดืนอน6ในขณะที่มีอายุเพียงสามีุดหกสี่ท่านยังไม่ได้ตายไปท่านก็บรรลุแล้วท่านก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหมดได้เพราะท่านได้ทำกิตในพระอริยสัจสีได้ครบถ้วนบริบูรณ์ั้งที่ทรงตัดไว้ว่าทุกที่ควรกำหนดรู้นี้ตถาคตได้กำหนดนี้แล้วปัญหาหรือสมุทัยที่ควรละ ปัาคดได้ละแล้วที่รธดที่ควรทำให้แจ้งปัาคดได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคที่ควรเจริญให้มากปถาคดได้เจริญแล้วเมื่อได้ทำกิจทั้งสีก็พ้นวายุย้ววิมุติคือกาหรหลุดพ้นจากความทุกข์ก็เป็นผลที่จะตามมาต่อไปเมื่อได้ถึงผลนี้แล้วกิจทั้งหลายในโลกนี้ก็หมดสิ้นไปกิจอื่นที่ยิ่งกว่า น, นี้ไม่มีแล้ว เพราจิตใจนี้สะอาดหมดเกแล้วไม่สร้างปัญหาให้กับเราอีกลแล้วเหมือนกับคนที่หายจากโรกภคภัยไข้เจ็บแล้วไม่มีความจําเป็นจะต้องรักษาอีกต่อไปไม่จําเป็นต้องมีหมอไม่จําเป็นต้องมียาอต่อไปเพราะไม่มีโรภคภัยไข้เจ็บมาเปลี่ยนเปียนอีกต่อไปนั่นเองนี่คือผลที่ชาวพุทธเราจะได้รับจากการที่เราพยายามประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ขั้นพื้นฐ า, านขึ้นมากันกระทั่งถึงขัง้นสูงสุดก็คือการทำบุญ ท, ทำทางการรักษาศีลการบำเพ็ญภาวนาหน้าสมาธิเป็นลายมิปัจจนาย่างในที่สุดก็จะเข้าสู่ความพิจิตรไปเองอยังขอให้พวกเราจะมีความแน่วแน่มั่นคงมีความมั่นใจว่าสิ่งต่างๆที่พุทเจ้าทรงสอนมานั้นล้วนเป็นสิ่งที่มีเหตุมีผลคือเป็นเรื่องจริงทั้งสิ้น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 ไม่มีไม่ท้อแท้พยายามฝึกสอนเรียนไปเรื่อยๆมันก็สามารถทําให้เราทําในสิ่งที่เราทําได้ในวันนี้เช่นเดียวกันกับการปฏิบัติของเราในวันนี้เราอาจจะอยู่ในขั้นล้มทุกคลานยังทำบุญให้ท า, สาสนรักษาศีลนั่งสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างรักษาศีลได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ขอให้เราทําไปเถอะเพราะเราไปในทางที่ถูกแล้วมีทางนี้ทางเดียวเพราะนั้นไม่มีทางอื่นที่จะพาให้เรา หยุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้จึงขอให้เรายึดมั่นไว้เราพยายามปฏิบัตจจิไปจนกว่าชีวิตจะหายไหมรับมองได้ว่าสิ่งที่ดีที่นานแต่จาน ก, ก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปมากหรืน้อยก็ขึ้นอยู่กับความรู้ควาสามารถของงานที่จะปฏิบัติให้ได้เท่านั้นเองจึงขอฝากเรื่องงานเหล่านี้ให้ท่านั้นหลา ย, า ย, ายนำไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อไปการเป็นงก็เห็นว่าสมควรจะเวลา ยี่สิบไลน์เท่านี้ นำอะไรก่อนทำอะไรก่อน ไม่ทาอุโดนงันบ่อยนะเล่นไปแักิดครั้ง ที่นี่การได้เด็กจะไว้ค่นะครับาวางไว้หน้ากุฏนครับทั้งหมดเลยนะวันนี้คงจะต้องไปไกลนะ คงจรอยากจะรีบไปแล้วนะผู้ห้างถามได้ถา ม, ามด้วยามกล้ามจริงก็อยากถามนะคะคือปัญหาของเราถ้าเรามองเห็นความไม่เที่ยงมันก็จะตักตหาไปได้เยอะค้าคำตอบสั้นที่สุดก็คือชีวิตของเรามันไม่ยาวหรอก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 แล้มัจะสร้างและกับวัตถุร่างกายั้งเราเพราะมันจะนํามันทํา ม, ทมันอยู่ควบคู่กับจิตใจของเรามันทําให้ใจเราจะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเรา บ, บุญกุศลนี่ทําให้ใจเราดีขึ้นความฉลาดขึ้นความฉลาดนนี่แหละทาให้ใจเราหลุดคนความความหลงนี่ทําให้เราติดอยู่เหมือนคนที่ติดยาเสพติดนั่น เหตยายสิติดก็เพาะหลงว่ายาเยสพติดมันมันดีมันพิเศษเวลาเสพแล้วมันมีพาังสักดิ์คนที่ฉลาดรู้ว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้ก็หลีกเลี่ยงจากมันก็หลุดพ้นจากจากสิ่งที่เวร้ยายทั้งหลายด้เพื่ที่จะจะเห็นความจะเห็นความจริงเราได้ก็ต้องต้องทำจิตให้มันมันมั น, มนสงบ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 ไม่เป็นไม่เป็นอนิจจ์ความสงบสุขนี้มันไม่เป็นความไม่เที่ยง ม, มันอยู่กับจิตไปตลอดท่านถึงบอกนิบบานางังพลมังสุขงังนิบะนิปนิพพาดึงของเทียเท่ ย, ง, ย ง, งความสุขในพระนิพพานก็เที่ยงเรื่องพยายามสร้างความสุขในใจให้เกิดขึ้นได้นี่จะให้เกิดความสุขภในใจได้ก็ต้องปล่อยวางความสุขไยน้อยเพราะมันของอย่างมันมันมันมันแย่งกัน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 รับประทานยาเพื่อเยอียวยารักษาร่างกายให้มันอยู่ไปไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแค่นึงส่วนความสุขที่แท้จริงแล้วมันเข้ามาหาความสุขภายในดีกว่าไปหาวัดที่ไหนสงบเงียบไปอยู่จำสินทีละสามวันห้าวันสมไปเรื่อยๆแทนที่จะไปเที่ยวเ ม, มืองนอกไปไปที่นู่ไปที่นี่นก็ ไปอยู่วัดดีกว่าไปถูกใจใครบ้างค้ชายะพูดอะไรให้เานะฮะทำไงเราถึจะระนความโกรธได้คือเราต้องมีสติรู้ทันว่าเรากำลังโกรธเรารู้ว่าความโกรธนี้เป็นโทษมาก่คนที่มาทำให้ให้ให้ให้เราโกรธ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 ถ้าไม่ได้ปัญญาก็ต้องใช้อุบายอื่นเช่นะ อ, อมเมตตาให้อภัยที่ว่ามันก็ผ่านไปแล้วเรื่องแล้วผ่านไปแล้วอย่าไปพื้นหอยใหาตะเข็บมันก็มันก็ไ ม, ม, ไม่มันก็ไม่เด็ดมาแก้ความรุ่มร้อนความโกรธที่มีอยู่ภในใจจะคิดแค่ ว, ว่าใช้นี่เก่าไปอะไรแล้วแต่เราจะใช้อุบายคิดใช้วิธีที่ฉลาดที่เร็วที่สุดก็ท่านมองเห็นว่าไฟกําลังไหม้บ้านจะไ ป, ไปตีโพยตีพายทำไม รี่ฐานะมาดับไปดีกว่าขณะนี้เราโกรธเรารีบระงับความโกรธเถิถ้ามันรู้จะทําไงก็พุโทโธมันทําเดียวเนี่ยอย่าไปคิดถึงเรื่องคนที่ทําให้เราโกรธอย่างมันก็หายเองยิ่งไปคิดถึงเรื่องคนที่จะทำให้เราโกรธแล้วมาคิดถึงเหตุผลทำไมเขาต้องมาทําให้เราโกรธแล้วก็ดีๆๆๆนะง้นอย่างนี้มันก็ยิ่งเป็นเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอ่ะงอย่าไปคิดถึงมันเลยมันผ่านไปแล้วใครเวลาไฟาไหม้ก็อย่าไปนั่งเถียงกันแล้วว่าใครเป็นคนจุดไฟ เดี๋ยวบ้านมันก็ไหม้หมดเห็นไหมถ้าไฟไหม้ปต่างคนต่างรีบไปหาน้ำมาดับมันดีกว่าในเวลาเกิดความโกรธตอบอกว่าไฟกาลังไหม้ใจเรานะรีบดับมันเสียถ้าไม่รู้จะดับด้วยวิธีปัญญาไม่ใช้ปัญญาไม่ได้ก็ใช้อุบายของสมาธิไปพุทโธพุทโธไปเดียวเนี่ยคิดถึงเรื่องเรื่องคนที่ทำให้เราโกรธเหมือนกับเรื่องความกลัวก็เหมือนกัน พระที่ท่านไปอนู่ในป่าก ล, ลัวนี้ท่านต้องการที่จะแก้ความกลัวเพราะถ้าเราไปอยู่ที่ปลอดภัยมันจะไม่มีความกลัวพอเราไปอยู่ที่เปี่ยวๆน่ากลัวมีความกลัวมันจะโผล่ขึ้นมาพอมันโผล่ขึ้นมาปับท่านก็เลยยึดคิดถึงพุโทโธพุโทโธคงเดียวจิตก็มีระลึกจากพุโทโธพุโทโธแต่ถ้ามันเป็นสมาธิพอจิตมันเป็นสมาธิสงบนิ่งปั๊้ความกลัวความอะไรมันหายไปหมดเลย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 เราไปหลงมันเองเราไปยินดียินร้ายกับมันเองแต่เราไม่ไปยินดียินร้ายกับมันมันก็มันก็จะมาทําให้เราโกรธไม่ได้แต่ถ้าเราไปหวังว่าคนนี้เขาจะต้องพูดดีกับเราเนี่ยพอเขาพูดไม่ดีกับเราเราก็โกรธเขาแล้วเสียใจอเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ไปหวังให้เขาต้องมาดีกับเราเขาจะร้ายกับเราไงเราก็พร้อมที่จะรับอยู่แล้วเราก็ไม่โกรธแล้วก็ไม่เสียใจเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังอะไรจากใครในโลกนี้ สนุกมันจะไม่หวังอะไรอยาไปหาความสุขจากภายนอกไม่ไดีหรือหาความสุขในตัวเรานี่แหละเนี่ยไม่ไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีนักศึกษใหม่มาจะสอแล้หรอคะสบรกเจะได้ทำทำอินที่ลังทันใหม่เช่นนี้ ทัานอจารยขนตาเคยมาเล็้ตาตรงข้างล่างเวค่ะท่านชอบเลียปลาปลาตรงอู้ซีรูกไปตรงข้า่างก็้ลางวิหารเพียนมีบ่อใหญ่ไม่ทราบท่านมาหรือเปาส่วนใหญ่เวลาข้านาถาจะขึ้นมาที่ขึ้นมาที่นี่ใช่ไหมท่านจมาที่ตลาดตลาดมีโรมเตียนัไม่ได้ฟ้อนนะยังน ยะาวะนุลหาปุราตลิกปุเรนติสักหลเอวเมวะอิโตชินางเปตานังอุปกปติอิจิต e ังปะจิตังต um ุมหังพิโตเนวะสนิะตุสัเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยถาสุนิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาสันตุ สัพารคโควินาสตุมาเตภวทวันตาาโยสุขีสุายโกภวมาภิวะธนสีลิจวะยิจงังมทาร า, าจายโนจตารโอธ ม, มาวทาติอายุวนโนสุขังภาลัง ไปเสียไปกุฏิเพื่อยกนี้ไปให้หมดเลยเดี๋ยวไปที่กุิเดี๋ยวจะทหนสกับารไปับีนา้่ท